เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สมกราคมพุทธศักราช2553เป็นวันหยุดช่วงต้นปีเป็นวันที่พวกเราให้ความสาคัญต่อการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ของพวกเราในในปีใหม่นี้ด้วยการถือเลิกถือเหตุมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะบุญกุศลนี้มีความสำคัญแก่จิตใจของพวกเรายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้พวกเราควรจะให้ความสำคัญ กับบุญกุศลเท่าๆกับที่เราให้ความสำคัญต่อลมหายใจเข้าออกพวกเรารู้ว่าถ้าไม่มีลมหายใจเข้าออกพวกเราร่างคือร่างกายของเราก็จะไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เช่นเดียวกับบุญกุศลถ้าจิตใจเราขาดบุญขาดกุศลยิ่งมีความยแย่ มากกว่าการขาดลมหายใจเข้าออกเพราะการขาดลมหายใจเข้าออกก็เพียงทำให้ร่างกายตายไปเท่านั้นซึ่งร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปอยู่ดีแล้วเราก็สามารถหาร่างกายใหม่ได้แต่ใจที่ขาดบุญขาดกุศลนี้มันจะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจมีแต่ความรุ่มร้อนจิตใจไป เป็นเวลาอันยาวนานและจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเพราะไม่มีบุญไม่มีคุณสมนที่จะพาให้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้านั่นเองดังนั้นถ้าเราเห็นว่าลมหายใจเข้าออกนี่มีความสำคัญอย่างไร เราก็ต้องเห็นความสำคัญของบุญกุศลมากกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าเลยทีเดียวเพราะถ้ามีบุญมีกุศลแล้วใจของเราจะมีความล่มเย็นเป็นสี่ใจของเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขและหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ นอกจากบุญและกุศลนี่เองจึงขอให้พวกเราจงมีความยินดีในบุญในกุศลให้มากกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นสำหรับใจเราล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนล้วนเป็นสมบัติชั่วคราวของพวกเราเท่านั้น ไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงดังนั้นเราจึงต้องคอยเตือนคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้ไม่หลงสอนว่าบุญกุศล น, นี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับจิตใจของเราส่วนลาบยศสรเสริญสุขนี้ เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยสำหรับจิตใจของพวกเราเพราะว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้ตกอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงคือมีการเจริญและเสื่อมไปเป็นธรรมดาเจริญลาบก็เสื่อรรมลาบได้มียศเจริญยศก็เสื่อมยศได้มีสารเสริญก็มีนินทามีความสุข ก็มีความทุกข์สลับกันไปนี่คือโลกของธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้คนฉลาดกับคนไม่ฉลาดจะปฏิบัติกับโล ก, กธรรมทั้งแนี้ไม่เหมือนกันคนฉลาดจะไม่ยึดไม่ติดจะรับรู้แล้วก็ปล่อยวางเช่นเวลาจเจริญราจเจริญยศได้รับสรรเสริญได้รับความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ยุดไม่ติดไม่ยินดีเพียงแต่รับรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วเท่นั้นแล้วก็คอยเตือนใจสอนใจว่าต่อไปมันก็จะต้องเสื่อมเดี๋ยวลาบก็ต้องเสื่อมยศก็ต้องเสื่อมสรรเสริญก็จะมีนินทาตามมาสุขก็จะมีความทุกข์ตามมา เพราะนี่เป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นแล้วตกนั่นเองเรามีกลางวันและมีกลางคืนฉันใดชีวิตของเราก็มีการเจริญมีการเสือ่อมกับลาบยศสารเสริญสุกนี้เองคนที่ฉลาดก็ไม่ยึดไม่ติดปล่อยให้เขาเจริญไปปล่อยให้เขาเสื่อมไปไม่ดีใจเวลาเจริญไม่เสียใจ เวลาเสื่อมไปถ้าคอยสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆแล้วใจจะไม่ยึดเพราะรู้ว่าถ้ายึดแล้วจะต้องทุกข์ทรมานใจเวลาเขาเสื่อมเราดีใจเวลาจเจริญเราดีใจแต่เวลาเสื่อมเราจะเสียใจมากแต่ถ้าเวลาจเจริญเราไม่ดีใจเราเฉยๆเวลาเสื่อมเราก็จะไม่เสียใจ เหมือนเวลาเราได้อะไรมาถ้าเราไม่ดีใจเราไม่ชอบใจเราเฉยๆเวลาเราเสียไปเวลาหายไปเราจะเฉยๆเช่นเดียวกันเราจะไม่รู้สึกเสียใจอะไรแต่ถ้าเราได้อะไรมาแล้วเราดีใจเรายินดีเราชอบพอเราเสียไปเราจะเสียใจมากทั้งหมดนี้ไม่ได้อยู่ที่ของของนี้เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้น อยู่ที่ใจเราไปยินดีหรือไปไปชังไปไปยินร้ายเท่านั้นเองเพราะเราไม่เข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่าเราไปยินดียินร้ายไม่ได้เพราะการยินดียินร้ายนี้จะสร้างความทุกข์ทรมานใจให้เกิดขึ้นนั่นเองพวกเราทุกคนเวลามีลูกพวกเราทุกคนจะดีใจกันแต่เราไม่เคยคิดว่าเวลาลูกจากเราไปจะเป็นอย่างไร เพราะว่าไม่มีใครเคยสอนเราเราไม่เคยได้ศึกษาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยก็เลยคิดว่าได้ลูกมาแล้วจะทำให้เรามีความสุขจะอยู่กับเราไปตลอดแต่ความจริงนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นลูกเราเกิดมาแล้วอาจจะตายไปในวันสองวันก็ได้ไม่มีใครรู้ ตอนนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้อย่างในสมัยพระพุทธการก็มีนิทานมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับแม่กับลูกแม่มีลูกทารกออกมาได้ไม่กี่วันก็ตายไปแม่ก็เสียอกเสียใจมากเพราะเวลาได้ลูกมา ก, ก็ดีอกดีใจจนถึงกับไม่มีสติปัญญาไม่มีกำลังใจ ที่จะทำอะไรต่อไปมีแต่นอนกอดลูกอยู่ทั้งวันทั้งคืนชาวบ้านก็สงสารก็เลยบอกว่าให้ไปหาพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าจะช่วยเขาได้เขาก็คิดว่าพระพุทธเจ้าจะทำให้ลูกเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็มีกำลังใจเลยไปกราบพระพุทธเจ้านะพาลูกไปพระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็ถามว่าต้องการอะไร เขาบอกว่าได้ยินว่าท่านจะช่วยทําให้ลูกของเข า, าฟื้นขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าบอกว่าได้แต่ต้องไปเอาเมล็ดงามาให้กำมือหนึ่งแต่มะเล็ดงาที่ไปเอามานี้จะต้องเอามาจากบ้านที่ไม่มีคนตายเช่นไม่มีปู่ย่าตายายไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีญาติสนิทมิสหายตายกันถึงจะเอามาใช้ได้ พอเขาได้ยินเขาก็ดีอกดีใจรีบไปในหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านเคาะประตูบ้านแต่ละบ้านเขาก็ถามเขาว่ามีเมล็ดงามไหมเขาก็บอกว่ามีแต่พอถามว่ามีคนตายในบ้านั้มเขาก็บอกว่ามีเหมือนกันมีพี่มีน้องมียา่ามีปู่มียา่าตายไปเคาะไปทุกบ้านก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันจนในที่สุดเขาก็ เห็นสัจธรรมความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนไม่มีใครยกเว้นเมื่อเขาเห็นความจริงอันนี้เขาก็เลยทำใจได้ยอมรับความจริงว่าอย่างไรลูกก็ไม่มีทางที่จะฟื้นขึ้นมาได้เขาก็เลยนำลูกไปฝังตามประเพณีต่อไปนี่ก็พูดถึงเรื่องของความดีใจ กับสิ่งที่ไม่เทิ้งแท้แน่นอนกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นดีใจกับลูกเวลาลูกตายไปหรือเวลาลูกไม่ดีอย่างนี้ก็เสียใจอยากจะให้ลูกเป็นคนดีแต่ลูกเป็นคนเกเรก็กินไม่ได้นอนไม่ได้กังวลกวังวลเพราะเราไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของลูกเขาว่าลูกเขามีบุญมีกรรมพาเขามาลูกนี้จะมีสามลักษณะด้วยกัน ลูกที่เก่งกว่าดีกว่าพ่อกับแม่เก่งกว่าพ่อกับแม่นี่เป็นพวกหนึ่งลูกที่ดีหรือเก่งเท่าๆกับพ่อกับแม่นั้น ล, ลูกที่เลวกวับพ่อกับแม่เนี่ยมีอยู่สามชนิดด้วยกันทีนเราจะได้ชนิดไหนมานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ตัวเราเพราะเราให้เขาเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแต่สิ่งที่ มากับเขาตัวดีตัวชั่วนี่เป็นบุญเป็นกรรมของเขามาติดมากับดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณของเขาเขาตายจากชาติก่อนดวงวิญญาณเขาก็ออกจากร่างแล้วก็มาหาร่างใหม่พอเราตั้งครรภ์ขึ้นมาเขาก็มามาจองร่างกายที่อยู่ในท้องเรานะี้พอออกมาเราก็คิดว่าเขาเป็นลูกเรา ความจริงร่างกายนี้เป็นลูกเราแต่ใจของเขาไม่ใช่เป็นลูกเราใจของเขานี่มีบุญมีกรรมเป็นพ่อเป็นผู้ให้กาเนิดเป็นผู้ทําให้เขาดีหรือชั่วฉลาดหรือโง่อยู่ที่บุญที่กรรมเขาเราไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนแปลงบุญกรรมของลูกเราได้เลยถ้าเขาดีเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ถ้าเขาชั่วเราก็ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เรามีทําได้อย่างเดียวก็คือ สอนเขาเท่านั้นเองว่าอะไรผิดถูกอะไรดีอะไรชั่วแต่เขาจะนำเอาไปประพฤติปฏิบัติตามได้หรือไม่มันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่มีทางที่จะไปห้ามเขาได้เช่นพระพุทธเจ้านี้ก็มีแต่ความดีมีแต่บุญพามาพอมาเกิดเป็นลูกพ่อเจ้าแผ่นดินพ่อก็อยากจะให้สืบราชสมบัติแต่พระพุทธเจ้าก็มีความปรารถนาที่จะออกบวชอยากจะเป็น อยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ่อแม่พ่อก็พยายามหาวิธีหว่านล้อมต่างๆเพื่อไม่ให้ลูกได้ออกไปบวชสร้างภระสาทสามฤดูห้อมล้อมด้วยคนหนุ่มคนสาวไม่ยอมให้ลูกเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพราะถ้าเห็นแล้วจะต้องเกิดเกิดความคิดขึ้นมาทันทีว่า ทำไมจะต้องแก่ทำไมจะต้องเจ็บทำไมจะต้องตายแล้วจะทำอย่างไรที่จะทำให้ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแล้วก็จะต้องออกบวชเพราะวิธีที่จะทำให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คือต้องไปดับกิเลสดับความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปดับความอยากสามประการที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนคืออยาก ดับความอยากในกามกามาลดคืออยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะอย่างพวกเราอยากกันเวลาเราออกไปเที่ยวนี้ก็เกิดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วอยากไปเห็นนั่นเห็นนี่อยากจะไปฟังนั่นฟังนี่เวลาอยากจะไปดื่มไปรับประทานอาหารก็อยากในรสชาติอยากดมกลิ่นเวลาอยากจะไปหลับนอนกับคนนั่นคนนี้ ก็อยากจะสัมผัสกับร่างกายนี่เป็นความอยากที่เรียกว่ากามตันหาความอยากในกามที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกคนถ้าไม่มีก็จะไม่ต้องมาเกิดในโลกนี้ถ้าเราตัดการมาตังหาได้เราก็ไม่ต้องมาเกิดในโลกของกามโลกของกามนี้มีอยู่ตั้งแต่เทพลงมาเทพมนุษย์เดรัจฉานเปรต สัตว์นรกพวกนี้ยังมีกามาตัณหาอยู่ถ้าทําบาปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจานไปตกนรกถ้าทําบุญก็ได้เกิดเป็นเทพเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนี่เป็นเรื่องของกามาตัณหาถ้าตัดกามาตัณหาได้ก็จะไม่กลับมาเกิดในโลกของเทพของมนุษย์ของเดรัจฉาน แต่จะไปเกิดเป็นผมแต่เกิดเป็นพรหมแล้วก็อยู่ได้ไม่นานพอหมดหมดบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาอยากใหม่มาหาความสุขทางตาหูจห ม, มูกนินกายหน่อยเพราะว่าบุญที่ทําให้เป็นพรมนั่นมันเสื่อมหมดไปความอยากในการก็กลับขึ้นมาได้เพราะว่าผู้ที่ดับ กามาตัญหาได้ด้วยการนั่งสมาธินี้มันเป็นการดับไม่ถาวรดับเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเวลาจิตอยู่ในสมาธิก็มีความสุขไม่หิวกับรูปเสียงเกลิ่นรสแต่พอออกจากสมาธิมากามาตัญหาก็จะฟื้นขึ้นมาอีกนี่คือเรื่องของกามาตัญหาเป็นอย่างนี้ที่จะพาให้สัารโลกเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบ ถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดเราก็ต้องตัดอย่างถาวรด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาคือเราต้องพิจารณาให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสผธภานี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นเหมือนยาเสพติดเป็นอันตรายต่อจิตใจของเรา พวกเราก็รู้ว่ายาเสพติดมีเป็นอันตรายอย่า ง, างไรพวกรูปเสียงกลิ่นรสอื่นๆก็เป็นอันตรายอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าจะทําให้เรายัางต้องเวียนว่ายตายเกิดในกามาพบอยู่นี่เองถ้าเราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาแล้วไม่ยินดีไม่อยากจะหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ในกามาพบอีก เราก็จะเกิดในสวรรค์ชั้นผมเป็นพระอริยะขั้นพระอนาคามีเลยแล้วถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปอีกคือตัดภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปได้ก็จะกลายเป็นพระอรหันต์ไปความอยากมีอยากเป็นก็เช่นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่มอยากรวยอยากมีความสุข นี่เรียกว่าความอยากมีอยากเป็นส่วนความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็คืออยากไม่ยากจนอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากอยู่อยากไม่ตายอย่างนี้เป็นต้นนี่คือความความอยากและความไม่อยากสองชนิดที่เราจะต้องตัดให้ได้เกิดมาแล้วเราอยากไปอยากอะไรเฉยๆทําใจเฉยๆไว้ แก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายอย่าไปอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะจะทุกขทรมานใจแล้วก็จะพาให้เรากลับมาเกิดใหม่อีกแล้วก็อย่าไปอยากรวยอย่าป็นยากอย่าไปยาอย า, ไปยากเป็นใหญ่เป็นโตอย่าไปอยากมีความสุขมากๆเอามันตามมีตามเกิดโลกนี้มันสลับกันไปความสุขความทุกข์นี่มันมีสลับกันไป เหมือนกลางวันกับกลางคืนช่วงนี้พวกเรามีความสุขเพราะเราสมท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับไปทํางานความสุขนี้ก็หายไปแล้วเดี๋ยวความทุกข์ก็เข้ามาเพราะเงินหมดจะซื้อนั่นจะซื้อนี่ก็ไม่มีเงินซื้อแล้วเพราะใช้ไปหมดแล้วนี่ก็จะเป็นความทุกข์กลับคืนมาก็ต้องคอยทํางานรอวันเงินเดือนออกพอสิ้นเดือนเงินเดือนออก ก็มีความสุขอีกแล้วได้ใช้เงินอีกแล้วโลกว่าเป็นอย่างนี้ชีวิตของพวกเราเป็นอย่างนี้มันสุขมันทุกข์มันสลับกันไปเพราะฉะนั้นอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับความทุกข์หรือความสุขอย่าไปยินดียินร้ายกับเขาปล่อยให้เขามาปล่อยให้เขาไปทําใจให้เฉยเฉยไว้เหมือนกับเวลาคนสรรเสริญชมเราก็อย่าไปดีใจ คิดว่าเป็นเพยงลมปากเหมือนเสียงพัดลมนี้มันก็เป็นเสียงเท่านั้นเองเราอย่าไปให้ความหมายกับมันเช่นเดียวกับเวลาคนด่าเราเราก็จะไม่เสียใจเพราะเราจะไม่ให้ความหมายกับเสียงของเขาเราจะว่ามันก็เป็นเหมือนเสียงพัดลมเสียงพัดลมเป็นยังไรเสียงที่เราได้ยินนี้ก็เป็นเสียงเหมือนกันเราอย่าไปแยกมันว่ามันดีหรือมันไม่ดี ถ้าเราไปหลงแยกมันว่าดีไม่ดีเราก็จะดีใจเสียใจตามมาเราหลงสมมุติเราไม่ได้ฟังเสียงธรรมชาติเราไปฟังความหมายของเสียงนั้นว่าอ๋อเขาชมเราว่าเขาด่าเราความจริงมันก็เป็นเสียงเท่านั้นเองเสียงมันจะมาจะมาทิ่มแทงหัวใจเราได้อย่างไรมันจะทำให้ใจของเราฟูได้อย่างไรมันทำไม่ได้ เราต่างหากที่ทำให้ใจเราฟูขึ้นมาหรือชิมแทงจิตใจของเราด้วยความโง่ของเรานี้เองด้วยความไปหลงกับความหมายของเสียงเวลาความหมายดีก็ดีใจความหมายไม่ดีก็เสียใจแล้วเราต้องพยายามมองทะลุความหมายนี้ไปาอย่าไปให้ความสำคัญกับความหมายเข้าใจได้รู้ได้ แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดกับความหมายให้รู้ไว้เท่านั้นว่าเขาด่าเราก็รู้ว่าเขาด่าเราเขาชมเราก็รู้ว่าเขาชมเราแต่ให้รู้ว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปอยากให้เขาชมเราไม่ได้เราไปอยากไม่ให้เขาด่าเราไม่ได้เราต้องรับเหมือนกับเรารับกับอากาศฝนฟ้าอากาศอย่างนี้ฝนตกเราก็ไม่ได้ดีใจหรือเสียใจ แต่ออกเราก็ไม่ได้ดีใจหรือเสียใจเราก็รับมันตามความจริงของมันนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามฝึกใจของเราทําให้อยู่เป็นกลางอย่าไปดีใจอย่าไปเสียใจกับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเกิดก็อย่าไปยินดีใจเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็อย่าไปเสียใจคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา เราไม่ได้เป็นอะไรไปกับมันเราไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันเป็นอะไรก็รับรู้เหมือนเหมือนเรารับรู้กับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ขึ้นเราก็รับรู้ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาดวงอาทิตย์ตกเราก็รับรู้ว่าดวงอาทิตย์ตกแต่เราไม่ได้ดีใจเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเวลาพระอาทิตย์ตกเราก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ฉันั้ร่างกายของเราก็เป็นเหมือนพระอาทิตย์มันมีมันมีขึ้นแล้วก็มันมีตก มันมีเกิดแล้วมันก็มีแก่มีเจ็บ่ายได้ป่วยแล้วมันก็มีตายเป็นธรรมดาถ้าใจเรารู้อย่างนี้แล้วทำใจของเราให้เหมือนกับเราทำใจกับพระอาทิตย์เราก็จะไม่ทุกกับเรื่องของร่างกายของเราร่างกายของเราเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปดูแลได้ก็ดูแลไปรักษาได้ก็รักษาไปดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน ไม่มีใครอยู่คำฟ้าไม่มีใครอยู่ไปตลอดไม่มีใครจะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นด้วยกันทุกคนแต่ใจไม่ได้เป็นมีใจนี้เท่านั้นแหละที่ไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายแต่ใจกลับไปวุ่นวายทำไมเพราะใจไม่เคยแยกร่างกายออกจากตัวเองนั่นเองหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเองพอร่างกายเป็นอะไรใจก็ตกใจนี่แหละคือ การมาหาแสงสว่างแห่งธรรมมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวองค์แรกเท่านั้นที่รู้เรื่องเหล่านี้ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงศึกษาอยู่ตลอดเวลาทรงแยกกายออกจากใจได้วิธีจะแยกกายออกจากใจนี้ต้องนั่งทําสมาธิทําจิตใจให้สงบพอจิตใจสงบแล้วใจกับกายก็จะแยกออกจากกันชั่วคราวร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึก เหมือนกับไม่ได้มีอยู่ในใจอีกต่อไปพอรู้อย่างนี้แล้วต่อไปใจก็จะมีความกล้าหาญกล้าหาญที่จะปล่อยวางร่างกายกล้าหาญที่จะไม่ยึดไม่ติดไม่อาศัยร่างกายเป็นสาระเป็นที่พึ่งเหมือนอย่างพวกเราอาศัยกันทุกวันนี้เราอาศัยร่างกายเป็นเป็นเครื่องมือที่หาความสุขให้กับเรา เวลาใจเราอยู่บ้านมีความรู้สึกเศร้าซ้อยงอยเหงาเราก็ใช้ร่างกายนี้พาเราไปข้างนอกพาเราไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่ดีไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ใจก็จะทุกข์ทรมานใจนี่เป็นเพราะว่าเราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเราไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือ เช่นเราสามารถหาความสุขจากใจของเราได้เวลาเรานั่งสมาธิทาใจของเราให้สงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขจากการไปเที่ยวซะอีกหลายร้อยเท่าด้วยกันถ้าเรามีความสุขแบบนี้เราก็ไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือได้เมื่อเราไม่อาศัยร่างกายแล้วนี่ร่างกายจะเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนจะ เกียดไข้ได้ป่วยไปข้างนอกไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนจะเป็นปกติก็ไม่อยากจะออกไปขี้เกียจออกไปเพราะเหมือนกับไปหาไปหาของที่มีค่าน้อยกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เช่นเรามีเพชรมีทองมีพลอยเต็มบ้านแล้วเราจะไปหาก้อนอิก้กอนหินทำไมให้เสียเวลาเปล่าๆนั่นแหละคือความสุขทางโลกเป็นอย่างนั้นความสุขทางโลกนี้เป็นเหมือนก้อนหินก้อนอิ ส่วนความสุขภายในใจที่เกิดจากความสงบนี้เป็นเหมือนเพชรนินจินดาไม่มีอะไรจะมีคุณค่ามีน้ำหนักเท่ากับความสุขภายในใจของเราผู้ใดพบกับความสุขในใจแล้วจะปล่อยความสุขภายนอกทันทีจะพยายามแสวงหาความสุขภายในให้มีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนมีเต็มที่อยู่ตลอดเวลาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกทั้งหลาย ท่านหาความสุขแบบนี้กันท่านปล่อยความสุขภายนอกท่านเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินท่านกสละความสุขแบบนั้นไปท่านเป็นเศรษฐีท่านกสละความสุขแบบนั้นไปแล้วท่านก็มาหาความสุขภายในใจความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วทำให้มีมากจนเต็มหัวใจและมีอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือบุญกุศลเป็นผลของการสร้างบุญสร้างกุศล ที่พวกเรามาสร้างกันในวันนี้ถ้าเรามีบุญมีกุศลแล้วใจของเราจะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะไม่มากระทบกับความสุขภายในใจของเราเลยนี่แหละจึงให้อยากจะให้พวกเราเห็นความสำคัญของบุญกุศลยิ่งกว่าลมหายใจเข้าออกเสีย อ, อีกเพราะเราขาดลมหายใจอย่างมากเราก็ตายไปตายไปเราก็หาร่างกายใหม่ได้ แต่ถ้าเราขาดยินขาดกุศลนี้ใจของเราจะไม่มีความสุขเลยจะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาจึงขอให้ท่านจงมีความยินดีต่อการสร้างบุญสร้างกุศลและมาปฏิบัติมาวัดมาสร้างบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพรศีรัตนะใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแค้วคกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ